วันนี้เป็นวันที่สิบธันวาคมพุทธศักราช2561เป็นวันหยุดราชการเป็นวันรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญก็คือกฎหมายที่มีไว้สำหรับปกครองประเทศเพื่อให้ประชากร ของประเทศอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเป็นกฎหมายที่จะควบคุมการประพฤติต่างๆของประชากรถ้าทำดีก็จะไม่ได้รับโทษถ้าทำไม่ดีก็จะได้รับโทษ เพื่อที่จะได้ไม่ไปทำไม่ดีไม่ไปทำความเสียหายไม่ไปทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นสังคมทุกสังคมจึงจำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญมีกฎหมายไว้ปกครองบ้านเมือง นอกจากกฎหมายที่มีไว้ในการปกครองบ้านเมืองแล้วจิตใจของพวกเราทุกคนยังมีกฎหมายที่ปกครองจิตใจของพวกเราอีกด้วยซึ่งกฎหมายอันนี้พวกเราอาจจะไม่รู้จักกันหรืออาจจะรู้จักกันบ้าง แต่ยังไม่รู้จักอย่างถ่องแท้มีพระพุทธศาสนานี่แหละเป็นที่มาบอกพวกเราให้รู้จักกฎหมายที่เหนือกว่ากฎหมายของบ้านเมืองกฎหมายที่ปกครองจิตใจของพวกเราทุกคน กฎหมายนี่เราเรียกว่ากฎแห่งกรรมนั่นเองกฎแห่งกรรมก็คือกฎหมายที่จะคอยควบคุมให้จิตใจของพวกเรานั้นอยู่ในสภาพที่ดีมีความสุขถ้าเรากระทำความดีต่างๆ ถ้าเรากระทำความไม่ดีต่างๆกฎหมายคือกฎแห่งกรรมก็จะลงโทษจิตใจของพวกเราเราจะขัดขืนไม่ได้หนีไม่ได้ไม่เหมือนกับกฎหมายทางโลกกฎหมายทางโลกนี้บางทีเราละ เ, เมิดแล้วเรายังหนีกฎหมายได้ นี้ตำรวจที่จะมาจับเราไปลงโทษได้แต่กฎแห่งกรรมนี้ไม่ต้องมีตำรวจมาจับจิตใจของพวกเราไปลงโทษเวลาที่จิตใจของพวกเราทำบาปทำไม่ดีกฎแห่งกรรมนี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจะมีผลทันที ในจิตใจของพวกเราทุกคนกฎแห่งกรรมจึงไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีอ า, อายการไม่ต้องมีศาลมาตัดสินคดีว่าเราผิดหรือถูกกฎแห่งกรรมนี้จะรู้ทันทีว่าการกระทาของเรานั้นถูกหรือไม่ถูก ดีหรือไม่ดีแล้วก็ตัดสินลงโทษได้ทันทีนี่คือกฎหมายของจิตใจที่ปกครองจิตใจของพวกเราซึ่งพวกเราส่วนใหญ่จะไม่รู้จักกันเพราะปัญหาของพวกเรานี้มีหลาย มิติด้วยกันมิติที่หนึ่งก็คือเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครนี่มิติที่หนึ่งเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครตัวจริงแท้จริงของเราเรากลับไม่รู้จักเรากลับไปรู้จักตัวปลอมตัวที่ไม่ใช่ตัวจริงของเราเราเลยไม่รู้ว่า เรา่านี้ถูกปกครองด้วยกฎหมายอันไหนเราไปรู้จักตัวปลอมของเราคือร่างกายของเราที่ไม่ใช่เป็นตัวจริงของเราร่างกายนี้ถูกกฎหมายทางบ้านเมืองปกครองไว้อยู่ถ้าร่างกายไปทำอะไรเสียหายแก่ผู้อื่นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็มาตามจับเอาร่างกายนี้ไปลงโทษแต่อันนี้ไม่ได้เป็นตัวเราเป็นตัวที่เราอาศัยใช้แทนตัวเราหรืออาศัยเป็นเครื่องมือของเราอีกทีหนึง่งเราคือผู้รู้ผู้คิด ผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแล้วก็เป็นผู้ที่จะรับผลของการกระทำของเราด้วยแต่ผลที่เกิดจากการกระทำของเรานี่ต่างจากผลที่เกิดจากการกระทาของร่างกายเราเลยไม่รู้ว่า เรานี้เป็นผู้ที่จะต้องรับผลของการกระทาของเราเรารู้เพียงแต่ว่าร่างกายของเรานี้จะต้องเป็นผู้รับผลในการกระทาของร่างกายซึ่งผลในการกระทาของร่างกายบางทีก็เกิดบางทีก็ไม่เกิดคือเกิด หรืออาจจะเกิดช้าหรือเกิดเร็วก็ได้เช่นร่างกายไปทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รู้ว่าเราเป็นร่างกายของเราเป็นผู้กระทาเขาก็ไม่มาตามจับเราจะไม่มาจับร่างกายของเราไปลงโทษร่างกายเราทำความดีถ้าไม่มีคนรู้ ก็ไม่มีใครให้รางวัลเราไม่มีการยกย่องสรรเสริญเยินยอ่อนี่คือกฎหมายของบ้านเมืองนี่จะปกครองร่างกายปกครองการกระทําต่างๆของร่างกายแต่กฎหมายของบ้านเมืองนี้ไม่มาปกครอง การกระทำทางจิตใจของพวกเราการกระทำทางจิตใจของพวกเรานี้มีกฎแห่งกรรมเป็นผู้ปกครองซึ่งเราไม่รู้เรื่องนี้กันเพราะเราไม่รู้จักตัวเราเราไม่รู้จักใจว่าเป็นตัวเราเรารู้เพียงแต่ร่างกาย ที่เราคิดว่าเป็นตัวเราเราก็เลยดูผลที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเป็นหลักส่วนผลที่เกิดจากจิตใจที่มี <c oughs> มีผลมากกว่าผลที่เกิดกับร่างกายเรามองไม่เห็นกันนี่คือปัญหาของพวกเราเราจึงไม่รู้จักกฎแห่งกรรม หรือไม่เชื่อกดแห่งกรรมเพราะเราไม่รู้ว่าเรานั้นรับผลว่าเราเป็นใครเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็เลยไม่เชื่อกดแห่งกรรมเพราะกดแห่งกรรมนี้ไม่ได้ไปปกครองการกระทำของร่างกายไม่ได้ให้ผลดีผลชั่วแบบ ทันทีทันใดบางทีร่างกายทําดีก็ไม่ได้รับผลบางทีร่างกายทําไม่ดีก็ไม่ได้รับทุกไม่ได้รับผลไม่ถูกจับไปลงโทษเพราะผู้รักษากฎหมายตั้งแต่ตํารวจอายการศาล <Yeah. S 1> ไม่รู้ว่าเราเป็นผู้กระทําผิด เขาก็เลยไม่มาจับเราไปลงโทษกันเราก็เลยไม่เชื่อกฎแห่งกรรมที่ที่พระพุทธเจ้าทส่งค้นพบและท่งมาสอนพวกเราว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีแล้วได้ความสุขความเจริญทำชั่วแล้วจะได้ความทุกข์ได้ความเสื่อมเสีย อันนี้ถ้าเราไปมองที่ร่างกายเราจะไม่เชื่อกฎแห่งกรรมเพราะมีคําพูดที่เราคงเคยได้ยินกันทําดีไม่ได้ดีทำเชื่อได้ดีมีถมไปเพราะเราไปมองที่ร่างกายที่มีกฎหมายทางโลกมาปกครอง ปกกฎหมายทางโลกนี้ต้องอาศัยตำรวจอาศัยอายการอาศัยสารอาศัยหลักฐานอาศัยพยานต่างๆถึงสามารถที่จะมาพิจารณาตัดสินว่าร่างกายของเราทำถูกหรือไม่ทำผิดหรือไม่ดังนั้น ร่างกายของเราเวลาไปทําบาปบางทีก็ไม่ต้องไปรับผลไปทําชั่วกลับได้ดีมีถมไปคนได้ดีทางชั่วนี้มีเยอะกว่ากองกินร่ํารวยกันขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตกันขึ้นมาเพราะทําชั่วกันแต่คนทําดีกลับไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้ร่ําไม่ได้รวย นี่คือกฎหมายทางโลกเป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนุกร่างกายที่ทำดีแล้วไม่ได้ดีร่างกายบางร่างกายทำดีแล้วมีคนรู้คนเขาเห็นเขาก็ให้ผลเขาก็ให้รางวัลตอบแทนผู้ที่กระทำความดีเช่นเราเคยได้ยินข่าวแท็กซี่เก็บกระเป๋าเงินของผู้โดยสารได้ เอาเงินไปคืนเจ้าของเขาเจ้าของดีใจให้รางวัลให้เงินตอบแทนมาอันนี้ก็มีเหมือนกันทำดีได้ดีก็มีเหมือนกันพวกที่ทำผิดแล้วถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปลงโทษก็มีเหมือนกันแต่มันมีทั้งสองแบบมันก็เลยทำให้คนที่ได้มายิน ได้ฟังเรื่องกฎแห่งกรรมไม่เข้าใจความหมายของกฎแห่งกรรมว่าหมายถึงอะไรกันแนะ่เพราะ ถ, าถ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแล้วทำไมคนทําดีกลับไม่ได้ดีมีถมไปคนทําชั่วกลับได้ดีมีถมไปอันนี้พอเราไปมองที่ร่างกาย ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอย่างอย่างแท้จริงผู้ที่อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอย่างแท้จริงนี้คือจิตใจของพวกเราที่พวกเรานี้มองไม่เห็นกันไม่รู้จากหน้าตาของร่างของจิตใจของพวกเราเพราะตั้งแต่เราเกิดมานี่เรารู้จักแต่ร่างกายของเราเท่านั้นเราก็เลยคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรา เพราะเราใช้ร่างกายเป็นผู้รับคําสั่งของเรานั่นเองเราต้องการจะไปไหนเราก็สั่งให้ร่างกายพาเราไปเราต้องการจะทําอะไรเราก็สั่งให้ร่างกายทําให้เราเราก็เลยคิดว่าเราเป็นร่างกายไปแต่ตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบเนี่ย พระพุทธเจ้าสงคนพบว่าเราคือจิตใจนี้กับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันเป็นเหมือนสามีภรรยามาแต่งงานกันมาอยู่ร่วมกันตอนที่ร่างกายนี้ปรากฏขึ้นมาในท้องแม่เวลาที่พ่อแม่มีกา ร, ระสมพันะสมพันกัน เชื้อของพ่อกับเชื้อของแม่มารวมตัวกันก็จะเกิดการก่อร่างกายขึ้นมาพอมีการปรากฏของร่างกายขึ้นมาเราคือดวงวิญญาณในขณะนั้นเราตอนที่ไม่มีร่างกายนี้เราเรียกว่าดวงวิญญาณใจที่ไม่มีร่างกายจะมีชื่อว่าดวงวิญญาณแต่พอมาได้ร่างกาย ก็จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นจิตใจเหมือนกับสุภาพสตรีเวลาไม่ได้แต่งงานก็เรียกว่านางสาวพอมาแต่งงานกับสามีก็เรียกว่านางแล้วก็เปลี่ยนนามสกุลจากนามสกุลของตนไปใช้นามสกุลของสามีแทน นี่ก็เหมือนกันจิตใจของเรานี้เป็นเหมือนสุภาพสตรีที่มาแต่งงานกับร่างกายมาอยู่ร่วมกันมาเกาะติดกันเหมือนกับคนขี่ม้าอย่างนี้ม้ากับคนขี่ม้านี่จะเกาะติดกันเวลาคนขี่ม้าจะไปไหนก็ขี่บนหลังมา้าไปกับมา้า หรือคนขับรถกับรถยนต์เป็นคนละคนกันแต่ไปด้วยกันเราเวลาไปไหนมาไหนเราก็ต้องขับรถยนต์ไปกันฉันใดจิตใจกับร่างกายก็เป็นอย่างนั้นร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์จิตใจเป็นเหมือนคนขับรถยนต์หรือร่างกายเป็นเหมือนมา จิตใจเป็นเหมือนคนขี่มา้าแต่ปัญหาคือจิตใจเราไม่มีรูปร่างหน้าตาให้เราเห็นันี่ตัวเราเองมองไม่เห็นตัวเราเองมาคนเห็นแต่ร่างกายที่ไม่ใช่เป็นเราเราก็เลยไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายกันแล้วเราไปคอยดู ผลที่กระทบกับร่างกายเราที่เกิดจากการกระทําของเราเราจึงเห็นว่ามันขัดกับกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั่นเองพระพุทธเจ้าสอนว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเราไปมองที่ร่างกายมันไม่เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกทําดีไม่ได้ดีมีถมไป ทำชื่อได้ดิบได้ดีมีถมไปอันนี้มันเลยทําให้เร า, เาสับสนจนถึงขั้นที่ว่าไม่เชื่อกฎแห่งกรรมเชื่อกฎหมายทางโลกเพียงอย่างเดียวคนที่เชื่อกฎหมายทางโลกเพียงอย่างเดียวจึงไม่กลัวการกระทำบาปเพราะเขาคิดว่าเขามีความสามารถที่จะหลบหลีกฎหมายได้ หรือถ้าถูกจับเขาก็มีวิธีที่จะทำให้ผลหนักเป็นเบาได้โทษหนักเป็นเบาได้หรือไม่มีโทษเลยก็ได้เพราะขั้นตอนของการพิจารณาความผิดนี้มันต้องอาศัยพยานหลักฐานหลายอย่างด้วยกันอาศัยผู้ที่จะมาค้นหาพยานหลักฐานแล้วถ้าผู้ บุคคลเหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่โอกาสที่จะถูกตัดสินลงโทษว่าผิดก็อาจจะไม่มีก็ได้ถ้ามีการซื้อกันนี่คือทำไมคนเราในยุคนี้ในสมัยนี้จึงไม่กลัวบาปกันไม่กลัวการกระทำบาปเพราะรู้ว่า ถ้าทำบาปแล้วมีเงินมากนี่เงินนี้สามารถล้างบาปได้ล้างโทษได้เวลาถูกจับก็อาจจะถูกปล่อยได้มีเงินหรือถ้ายังไม่ถูกจับก็อาจจะยับยั้งการมาจับก็ได้ถ้ามีเงินอย่างที่เราเคยได้ยิน ใ้ข่าวข่าวอยู่เรื่อยๆพวกคนรวยมักจะไม่ถูกจับไปลงโทษเพราะถ้าจะถูกจับก็มีผู้มาคอยบอกล่วงหน้าไว้ก่อนให้เตรียมล่องหนได้ให้เตรียมหนีได้หรือถ้าถูกจับก็มีการขอประกันได้ขอประกันแล้วก็หนีได้อีกถ้ามีเงินหรือถ้าหนีไม่ได้พอขึ้นศาลขึ้นอะไร ก็ยังจะพลิกได้ถ้ามีเงินนี่คือเรื่องของกฎหมายทางโลกที่พวกเราคิดว่าเป็นกฎแห่งกรรมคิดว่าและผู้ที่รับกฎหมายรับผลของกฎหมายทางโลกหรือผู้ที่รับผลทางกฎแห่งกรรมนี้อยู่ที่ร่างกายซึ่งก็จะเห็นว่า กฎแห่งกรรมนี้ไม่แน่นอนเสียแล้วไม่เป็นไปดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดจะรูและได้ทรงนำมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราแต่ถ้าพวกเรามาศึกษากฎแห่งกรรมที่พระพุทธศาสนากันพระพุทธศาสนานี้ก็เป็นเหมือนสถาบันการศึกษาสถาบันที่มี สอนเรื่องกฎหมายสอนเรื่องกฎแห่งกรรมถ้าพูดตามภาษาทางโลกก็คือมีคณะนิติศาสตร์แต่นิติศาสตร์นี้ไม่ได้สอนกฎหมายทางโลกแต่สอนกฎหมายทางธรรมคือกฎแห่งกรรมเวลาเรามาเรียนฟังเทศฟังธรรมกันนี้เรากำลังมาศึกษากฎแห่งกรรมกันเรากำมา เป็นนักศึกษาคณะนิเทศนิติศาสตร์กันเป็นคณะนิติศาสตร์ถ้าเราเรียนจบเราก็จะเป็นนักกฎหมายได้เราจะรู้เรื่องกฎแห่งกรรมได้อย่างชัดเจนอย่างถูกต้องแม่นยำถ้าเรามาศึกษาตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนดังนั้นเราต้องกลับมาที่จุดเริ่มต้นของกฎแห่งกรรมว่ามันเริ่มต้นตอนที่ จิตใจของพวกเราตอนที่ยังไม่มีร่างกายตอนที่เป็นดวงวิญญาณอยู่มาได้รับร่างกายที่พ่อแม่ของเราสร้างขึ้นมามาเกาะติดกันแล้วก็คลอดออกมาจากท้องแม่แล้วเราคือจิตใจผู้รู้ผู้คิดนี่เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรไปต่างๆ ถ้าสั่งให้ร่างกายทำดีกฎแห่งกรรมจะปรากฏขึ้นในใจเราทันทีเวลาเราทำดีใจจะมีความสุขใจจะเจริญขึ้นสูงขึ้นคือสูงอย่างไรจิตใจมีหลายระดับจิตใจที่มีความสุขระดับมนุษย์ก็เป็นจิตใจระดับหนึ่งจิตใจที่มีความสุขที่สูงกว่ามนุษย์ที่เกิดจากการทำความดี เราก็เรียกว่าเทวดามีหลายชั้นด้วยกันขึ้นอยู่ว่าทำดีมากทำดีน้อยในทางตรงกันข้ามถ้าจิตใจเราไปทำบาปผ่านผ่านทางร่างกายสั่งให้ร่างกายไปโกงไปขโมยเข้าของเงินทองจิตใจก็จะได้รับผลทันทีขั้นแรกก็คือจิตใจจะมีความรู้สึกไม่ดีไม่สบายใจ ทำบาปแล้วก็มีความวิตกกังวลกลัวที่จะต้องถูกจับไปลงโทษกลัวคนจะรู้ว่าเราได้ทำบาปอันนี้ผลเกิดขึ้นทันทีคือความรู้สึกทำบุญทำดีมีความสุขใจทันทีทำบาปมีความทุกข์ใจทันทีจิตใจเสื่อมลงทันทีถ้าทำบาปแต่ไม่ได้เสื่อมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่อยเสื่อมลงไป เสื่มจากการเป็นมนุษย์ลงไปสู่การเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างนี่คือสภาพของจิตใจที่มีความทุกข์จะมีชื่อเหล่านี้จะเรียกว่าอบายจิตที่อยู่ในอบายหรือจิตที่เป็นอบายจิตที่มีความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาป อันนี้จะเป็นอบายชนิดต่างๆเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกขึ้นมาจะเป็นมากเป็นน้อยก็อยู่ที่ทําบาปมากทําบาปน้อยทําบ่อยหรือทําไม่บ่อยอันนี้คือทําบาปแล้วจะเกิดความทุกข์เกิดความเสื่อมขึ้นมาโดเสื่อมทางสถานภาพทางจิตใจ จิตใจของเราเปลี่ยนสถานภาพได้ขึ้นสูงก็ได้ลงต่ำก็ได้ทั้งๆทั้งทั้งๆ ท, ทั้งที่ยังไม่ตายนี่แหละขณะที่เป็นมนุษย์อยู่นี่ใจอาจจะไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วก็ได้ใจอาจจะไปเป็นเทวดาแล้วก็ได้ถ้าทำบุญทำความดีใจอาจจะไปเป็นเดานแล้วก็ได้ถ้าทาบาปอันนี้ไม่ต้องรอให้มีตารวจมาจับ ไม่ต้องไปหาหลักฐานประยานไม่ต้องหาอายการมาฟ้องศาลไม่ต้องรอให้ศาลมานั่งตัดสินคดีกฎแห่งกรรมนี้เป็นทั้งตำรวจเป็นทั้งอายการเป็นทั้งผู้พิพากษาเป็นผู้ที่สามารถตัดสินคดีความได้ทันทีเลยโดยอัตโนมัติไม่เสียเวลาไม่ต้องรอคิวเหมือนกฎหมายทางโลกทำบาปวันนี้กว่าจะถูก ตัดสินคดีก็อีกหลายปีอันนี้ต่างกันงั้นถ้าเราอยากจะคิดถึงกฎแห่งกรรมขอให้เราคิดถึงดวงจิตดวงใจของพวกเราที่ไม่ได้เป็นร่างกายแต่มาเกาะติดอยู่กับร่างกายมาแต่งงานกับร่างกายม่อยู่กันเป็นคู่เพราะอะไรเพราะใจเรา ต้องอาศัยร่างกายทาอะไรต่างๆที่เราอยากจะทำนั่นเองเราเลยต้องมาแต่งงานกันเหมือนสามีภรรยาทำไมต้องแต่งงานกันก็เพราะว่าต้องอาศัยร่างกายของกันและกันเพื่อมากระทำสิ่งใด ส, งสิ่งหนึ่งที่ต้องการจะกระทำร่วมกันก็เลยต้องมาแต่งงานกันใจเราก็ต้องการใช้ร่างกาย พาเราไปหาสิ่งต่างๆที hmm. ่มีอย <adem S 1> <w> ู side, <imperfect> ่ในโลกนี้ถ้าไม่มีร่างกายใจเราไม่สามารถเข้ามาสู่โลกนี้ได้ไม่สามารถมาทำอะไรต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้ใจเราเลยต้องไปคอยหาร่างกายเวลาที่ร่างกายที่ร่างกายเก่าตายไปเวลาร่างกายเก่าตายไปใจก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ และช่วงที่ไปหาร่างกายอันใหม่ก็เป็นช่วงที่ต้องไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าได้ทำบุญมีใจเป็นฐานะเป็นเทวดาก็จะไปรับผลของการเป็นเทวดาก่อนจนกว่าบุญที่ได้ทำให้เป็นเทวดาหมดกำลังลง ถึงจะมาได้รับร่างกายของมนุษย์ใหม่ในทางตรงกันข้ามถ้าใจได้ทําบาปไว้ในขณะที่มีชีวิตยอยู่ใจเป็นเต็มเป็นเดรลฉานไปตั้งแต่ยังไม่ตายพอร่างกายตายไปใจก็จะไปเป็นเดรลฉานจะไปได้ร่างกายของเดรลฉานหรือถ้าใจเป็นเปรตใจก็จะเป็นดวงเวีย ญ, ญาณที่เต็มไปด้วยความหิวโหวย ถ้าเป็นอสุรกายก็เป็นดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวถ้าเป็นนรกก็เป็นดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดเคยียแคน้นนี่คือใจที่เป็นผู้กระทาบุญกระทำบาปและเป็นผู้รับผลบุญผลบาปไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามอันนี้ ไม่มีข้อยกเว้นใครทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือจะชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนี่คือคำพูดของพระพุทธเจ้าการตัดสรตของพระพุทธเจ้าทรงค้นพบกฎแห่งกรรมนี่แล้วนำมาเผยแผ่มาสั่งสอนให้กับพวกเราพวกเรา ถ้าไม่ศึกษาอย่างถ่องแท้เราจะไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมและเราจะไม่เชื่อกฎแห่งกรรมกันเราเพราะว่าเราไม่ได้รับข้อมูลที่ที่ละเอียดที่ทำให้เราเข้าใจอย่างแท้จริงว่ากฎแห่งกรรมนี้มีไว้สำหรับปกครองใครกันถ้าเราไปคิดว่ากฎแห่งกรรมมาปกครองร่างกายเราจะ เข้าใจผิดทันทีแล้วเราจะไม่ไม่เห็นว่าเป็นตามที่กฎแห่งกรรมได้พูดไว้ว่าทำดีแล้วได้ดีทำเชื่อแล้วได้เชื่อเพราะถ้าเรามองทางร่างกายเราจะเห็นคนที่ทำดีแล้วไม่ได้ดีมีเยอะแยะไปคนที่ทำเชื่อแล้วได้ดิบได้ดีมีเยอะแยะไปอันนี้เป็นเรื่องของร่างกาย เรื่องของร่างกายนี้อยู่ภายใต้กฎของกฎหมายทางโลกซึ่งกฎหมายทางโลกนี้บางทีก็จับได้จับไม่ได้เพราะไม่มีใครมาคอยเฝ้าดูคนทุกคนที่ทำบาปกันตํารวจไม่มีจำนวนพอที่จะมาคอยเฝ้าดูทุกคนว่าคนนี้ทาบาปมีหลักฐานจับได้ทันทีนีไม่มี ทำบาปแล้วลอยนวลไปมีเยอะแยะไปทำเป็นกฎหมายแล้วลอยนวลไปมีเยอะแยะไปแล้วก็ไม่มีตำรวจมาคอยดูว่าคนนี้ทำความดีให้รางวัลควรจะให้รางวัลก็ไม่มีใครมาคอยดูกันกฎหมายทางโลกเลยเป็นกฎหมายที่ไม่เข้มขน้นคือตัวกฎหมายเข้มขน้นแต่การรักษากฎหมายนี้ไม่ไม่เข้มขน้น เพราะผู้รักษากฎหมายมีจำนวนน้อยนั่นเองอันนี้หวังว่าคงจะเข้าใจว่าร่างกายนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอยู่เหมือนกันแต่เป็นเป็นผลเป็นผลส่วนด้อยเป็นผลอย่างไรคือถ้าดวงใจดวงจิตของเรา ได้ทำความดีไว้ในชาติก่อนแล้วเวลาเรากลับมาเกิดในชาติใหม่เราจะได้ร่างกายที่ดีกว่าคนที่ทำบาปมาเกิดคนที่ทำบาปมาเกิดเป็นมนุษย์กับคนที่ทำบุญแนละ้วมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ผลทางร่างกายนี้จะต่างกันคือคนที่มาเกิดทาง คนที่ทำบุญแล้วมาเกิดนี่จะเป็นคนมีร่างกายที่มีวาสนาบารมีมีร่างกายที่สวยงามผิวพรรณผ่องใสมีอาการครบสามสิบสองมีอายุยืนยาวนานไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนส่วนคนที่มาจากการทำบาปนี่ จะมีร่างกายที่อาภัพวาสนามีรูปลักษณ์ไม่สวยงามมีรูปอั ป, ปลักษณ์มีอาการไม่ครบสามสิบสองตาบอดบ้างหูหนวกบ้างแขนขาดบ้างขาขาดบ้างมีโรคภัยติดตัวมาด้วยมีอายุสั้นสุขภาพไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์อันนี้เป็น ผลจากการกระทําบาป ท, ที่ส่งผลมาที่ร่างกายของพวกเราในอนาคตนี่เช่นชาตินี้ถ้าเราทําบุญแล้วตายไปเราไปเกิดเป็นเทวดาแล้วพอเราไปได้ร่างกายอันใหม่เราจะได้ร่างกายที่ดีร่างกายที่สมบูรณ์สวยงามเป็นต้นแตถ้าเราชาตินี้ทําบาป แล้วตายไปเราไปเกิดในอบายเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างหรือเป็นนรกบ้างพอเราพ้นจากบาปกลับมากลับมาเกิดได้นั่งกายของมนุษย์ก็จะได้ร่างกายของมนุษย์ที่ไม่ดีร่างกายไม่สวยงามอาการไม่ครบ32สบสุขภาพไม่แข็งแรงมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน มีอายุสั้นนี่เป็นตน้นนี่คือผลที่จะมีกระทบต่อร่างกายของกฎแห่งกรรมนี่ถือว่าเป็นผลพลอยได้แต่ผลหลักนี้เกิดที่ขึ้นที่จิตใจของพวกเราและเกิดขึ้นทันทีนับตั้งแต่เวลาที่เราทำบุญหรือทำบา ทำบุญปั๊บนี่เกิดความสุขใจขึ้นมาทันทีเป็นเทวดาขึ้นมาทันทีทําบาปปั๊บนี่ทุกใจขึ้นมาทันทีเป็นเดรัจฉานทันทีหรือเป็นเปรตทันทีแต่เป็นทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่ยังเป็นมนุษย์อยู่เพราะบาปยังไม่ครบร้อยเปอหรือบุญยังไม่ครบร้อยเปอร์อาจจะเป็นมนุษย์ 95% 99% เป็นเทวดา 1% อร์หรือเป็นเปรต 1% นแต่ถ้าทำบุญบ่อยๆก็จะเป็นเทวดาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจาก 1% เป็น 2% ์เป็น 3% ถ้าทำบาปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเป็นไดชดลัชานราน 2% เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอเวลา ร่างกายนี้ตายไปเปอร์เซนที่เราเป็นมันก็จะพาให้เราไปเป็นตามเปอร์เซ็นที่เราทำไว้ถ้ามีเปอร์เซนต์น้อยก็ไปอยู่ได้ไม่นานเป็นได้ไม่นานถ้ามีเปอร์เซ็นต์มากก็อยู่นานแล้วก็อยู่ที่ว่าจะไปทางไหนก็อยู่ที่ว่าบุญที่เราทำกับบาปที่เราทำอันนี้ ฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่ากันเพราะจะไปสองที่พร้อมกันไม่ได้จะไปสวรรค์ไปอบายพร้อมกันไม่ได้แต่เราได้เคยทำบุญทำบาปมาในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บุญและบาปที่เราทำมันก็จะสะสมคะแนนไว้แล้วพอเวลาที่ร่างกายตายไปบุญกับบาปที่เราได้สะสมคะแนนไว้ก็จะมาบวกลบกัน ดูว่าฝ่ายไหนมีมากกว่ากันถ้าฝ่ายบุญมีมากกว่ากันบุญก็จะเป็นผู้ดึงเราไปในสวรรค์ก่อนดึงให้จิตเราไปเป็นเทวดาก่อนแต่ไม่ได้ล้างบาปที่เราทำไว้นะบาปที่เราทำไว้ยังมีอยู่แต่บาปยังไม่มีกาลังที่จะมาแสดงผลพอบุญกับบาปนี้ลดมาเหลือเท่ากันบุญก็ไม่สามารถ ดึงให้เราไปอยู่ในสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถดึงให้เราไปอยู่ในอบายได้เราก็มารอรับร่างกายใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนแล้วพอมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็มาทําบุญทําบาปกันใหม่ก่อนตอน่อแล้วพอเวลาตายไปบุญกับบาปที่เราทํามันก็จะมาคิดบัญชีกันเอถ้าคราวนี้บาปทําบาปมากกว่า บ, บุญ ก็ต้องไปรับผลบาปก่อนแต่บุญที่ทำไว้ก็ไม่สูญหายไปไหนบุญที่ทำไว้ก็ยังต้องรอโอกาสรอให้ช่วงที่บุญมีกำลังมากกว่าเหมือนกับนักการเมืองในสภาใช่ไหมเวลาเขาเลือกตั้งกันนี่เขาจะดูเสียงใครมากกว่ากันใช่ไถ้าฝ่ายนี้มีเสียงมากกว่าก็จัดตั้งรัฐบาลได้ ฝ่ายนี้มีเสียงน้อยกว่าก็ต้องเป็นฝ่ายค้านแต่ถ้าวันดีขึ้นดีเกิดฝ่ายรัฐบาลมาเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายค้านขึ้นมาฝ่ายค้านมีเสียงมากกว่าฝ่ายค้านก็กลับมาเป็นรัฐบาลได้อันนี้ก็เหมือนกันบุญกับบาปก็เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็จะเป็นผู้แสดงตัวก่อน บุญมีกำลังมากกว่าบุญก็จ ะ, สะแสดงตัวทำให้จิตใจเป็นเทวดาเป็นอะไรไปบาปมีกำลังมากกว่าก็จะทำให้จิตใจไปเป็นเดรัชาลไปเป็นเปรตต่อนี่คือกฎแห่งกรรมอันนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าทำปั๊บนี่ต้องรับผลทันทีผลเกิดขึ้นทันทีไม่มีไม่มีใครบอกก็ จะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่มาสามารถลบล้างกฎแห่งกรรมได้จึงสำคัญที่เราควรที่จะมาเรียนรู้กฎแห่งกรรมกันเพราะว่าถ้าเรารู้กฎแห่งกรรมแล้วเราจะได้รับประโยชน์เพราะเราจะได้ดีกเลี่ยงการกระทำที่จะทำให้เกิดโทษกับเรานั่นเองเราจะได้ดีกเลี่ยงการกระทำบาปต่างๆแล้วเราจะทำบุญแต่ทำแต่บุญเพียงอย่างเดียว ถ้าเรารู้กฎแห่งกรรมเหมือนคนที่รู้กฎหมายคนที่เขารู้กฎหมายเขาก็จะรู้วิธีดําเนินชีวิตจะทําการค้าจะลงทุนจะทําอะไรทํานิติกรรมกับใครถ้ารู้กฎหมายนี้มีมีโอกาสที่จะปลอดภัยกว่าคนที่ไม่รู้กฎหมายคนที่ไม่รู้กฎหมายบางทีเองต้องไปปรึกษาทนายเวลาจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ต้องไปให้ทนายเป็นผู้แนะนำว่าควรจะทำอย่างไรอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามาศึกษากฎแห่งกรรมแล้วทีนี้เราจะเลี่ยงการไปเกิดในอบายได้เลยใจของเราถ้ารู้ว่าอะไรเป็นตัวที่พาให้เราไปเกิดในอบายกันเราก็อย่าไปทำการกระทำที่พาให้เราไปเกิดในอบายเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบาย การกระทำที่พาเราไปเกิดในอบายก็คือการกระทำบาปแล้อบายามุกต่างๆนี่ถ้าไม่อยากจะไปเกิดในอบายให้เด็กเลี้ยงอบายามุกห้าข้อด้วยกันอบายามุกห้ามีอะไรบ้างหนึ่งเล่นการพนันสองดื่มสุรายาเมาสามเที่ยวกลางคืนหรือเที่ยวกลางวันเที่ยวเตสี่ 4. คบคนที่ชอบเที่ยวชอบการพนันชอบเละ ดื่มโซลาเป็นมิตรเนี่ยถ้ามีความเกียดข้านี่คืออบายามุขตัวที่จะพาให้เราไปทำบาปได้ง่ายเพราะอะไรเพราะเวลาเราเสพอบายามุคนี้เราไม่มีรายรับมีแต่รายจ่ายนั่นเองดื่มโซลาก็เสียเงินเล่นการมาน้นถึงแม้จะกาไรเดี๋ยวก็ต้องเสียเพราะถ้ากำไรแล้วก็อยากจะเล่นต่อ พอเล่นต่อแล้วเด๋ยวมันก็ต้องเสียพอเสียก็อยากจะได้คืนก็เล่นอีกมันก็ยิ่งเสียมากขึ้นไปอะเในที่สุดก็หมดเนื้อหมดตัวพอไม่มีเงินทองก็ต้องไปลักขโมยพอไม่มีอาชีพไม่ได้ทํางานทําการนี่หมายถึงพวกที่เสพอ บ, บายามุกเป็นอาชีพเล่นการพนันเป็นอาชีพเดิมสาราเป็นอาชีพเที่ยวเป็นอาชีพเอ อันนี้พวกนี้จะไม่มีรายได้นอกจากเงินทองที่มีอยู่อาจจะโชคดีมีพ่อแม่มีใครทิ้งทรัพย์สมบัติเข้าของไว้ให้ก็เลยคิดว่าไม่ต้องทำงานดีกว่าเที่ยวดีกว่าดื่มสุราดีกว่าเล่นการมานันดีกว่าแล้วพอไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวเงินทองก็หมดหมดที่นี้ไม่มีไม่รู้จักวิธีหาเงินโดยวิธี สุจริตก็ต้องไปหาเงินโดยวิธีทุจริตนั่นเองพระพุทธเจา้จาถึงบอกว่าถ้าไม่อยากจะไปอบายให้เลี่ยงอบายามุขนั ง, งับอย่าไปคําว่าอบายามุกก็คือประตูของอบายนั่นเองการไปเสบอบายามุกก็เท่ากับไปยืนอยู่ที่หน้าประตูของอบายถ้าไปยืนอยู่หน้าประตูเดี๋ยวมันก็เดินเข้าไปง่ายพูดง่าย ง, ง่ายถ้าอยู่ไกลาจากประตูมันก็จะเข้ายาก เหมือนนักฟุตบอลเวลาจะเตะบอลเตะบอลเข้าประตูนี่ต้องเอาลูกเข้ามาอยู่ใกล้ๆหน้าประตูใช่ไห้ยาเตะ เ, เข้าได้ง่ายถ้าอยู่กลางสนามนี่อยู่ไกลเตะไงก็ไม่เข้าอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่อยากจะเข้าไปอาบายอย่าไปอยู่ใกล้ๆหน้าประตูของอาบายคืออย่าไปเกี่ยวข้องกับอาบายยมุกถ้าไม่เกี่ยวข้องกับอาบายยมุกแล้วเหตุที่จะพายเราไปทาบาปนี้มีบ้างก็น้อยมาก เหตุอะไรที่ยังจะทำให้เราไปทำบาปได้อยู่ก็คือเวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาอันนั้นอาจจะทำให้เราไปทำบาปได้แต่มันไม่เกิดบ่อยเหมือนกับการที่เราไปเสพอบายามุกกันนะนี่คือวิธีหักห้ามไม่ให้จิตใจเราต้องไปทำบาปบาปก็มีอยู่สี่ข้อด้วยกันสุรานี้เป็นอบายามุก ถ, ถ้าตัดสุราออกก็เหลือสี่ข้อ ได้แก่การฆ่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีและการพูดปดโกหกหลอกลวงนี่คือตัวที่จะพาให้จิตใจเราไปรับโทษในอบายถ้าเราห้ามจิตใจไม่ให้ทำบาปทั้งสี่ข้อนี้ได้หรือถ้ า, ถ, าถ้าจะทำก็ขอให้มันน้อยกว่าบุญที่เราทำก็แล้วกันดังนั้น เพื่อความมั่นใจถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าเราสามารถไม่ทำบาปได้ทุกข้อทุกเวลาเราก็ควรที่จะมาทำบุญเพื่อมามาดึงเอาเอ า, เอาบุญมาดึงเราให้ไปไปที่อื่นอย่าปล่อยให้บาป พ, พาไปถ้าทำบาปอย่างเดียวไม่ทำบุญมันต้องปอาบายอ ย, าอย่างแน่นอนแต่ถ้าทำบาปบ้างแต่าทาบุญมากกว่าทบาป อย่างน้อยบาป ท, ที่ทําไว้มันยังต้องรอเวลาก่อนรอให้มันมีกําลังมากกว่าบุญก่อนนี่คือถ้าเรามาศึกษากฎแห่งกรรมแล้วเราจะเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าให้ละการกระทําบาป ท, ทั้งปวงให้สร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเห็นไหมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยไม่ใช่เฉพาะองค์นี้องค์เดียว พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็เหมือนทนายทุกๆคนพระพุทธเจ้ามาศึกษากฎแห่งกรรมกันเป็นทนายรู้จักกฎแห่งกรรมอย่นทนายทุกคนศึกษากฎหมายเหมือนอันเดียวกันเวลาแนะนําลูกค้าก็จะแนะนําแบบเดียวกันอว่าให้ทําให้ถูกกฎหมายถ้าขับรถก็ซื้อพรลบ อ, อะไรอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันอพระพุทธเจ้าพระองค์ทุกๆพระองค์นี้เป็นเหมือน ในติบัณฑิตเนี่ยเป็นพวกที่ได้ศึกษากฎแห่งกรรมมาแล้วกฎแห่งกรรมนี้เหมือนกันทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะผ่านมากี่แสนล้านปีก็ตามไม่ว่าจะอีกกี่แสนล้านปีข้างหน้ากฎแห่งกรรมนี้ก็เป็นกฎอันเดียวกันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจิตใจที่อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมก็ต้องถูกกฎแห่งกรรมนี้เป็นผู้ปกครองเสมอ ดังนั้นถ้าเราได้ยินได้ฟังคาสอนของพระพุทธเจ้าเราจะเข้าใจถ้าเราเข้าใจกฎแห่งกรรมถ้าเราเข้าใจว่าเราคือใครเราจะเข้าใจว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าให้ละการกระทำบาปทั้งปวงเพราะการกระทำบาปจะทำให้เราไปอบายกันนั่นเองถ้าเราละการกระทำบาปจิตใจของเราไม่ต้องไปอบายให้เราสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม พราะกุศลจะพาให้เราไปเป็นเทวดากันไปไปสวรรค์กันนั่นเองแต่มีคำสอนข้อที่สามที่พวกเราอย่างอาจจะไม่เข้าใจว่าสงสอนให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรายังไม่ได้ยินได้ฟังกันทำไมต้องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ ผู้ที่ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้จะเป็นผู้ที่อยู่เหนือกฎแห่งกรรมนั่นเองถ้าเราไม่อยากจะอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอย่างที่เราเป็นกันอยู่ขณะ น, นี้เราสามารถที่จะออกไปอยู่ที่อื่นได้อยู่ที่กฎแห่งกรรมไปไม่ถึงเหมือนพวกที่ไม่ต้องการอยู่ภายใต้กฎหมายเมืองไทยเขาก็หนีไปอยู่ประเทศอื่น พอไปอยู่ประเทศอื่นกฎหมายประเทศไทยก็ไม่สามารถที่จะไปบกครองเขาได้จันใดถ้าเราไม่ต้องการที่อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมถ้าเราไม่ต้องการที่จะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราไม่ต้องการที่จะไปรับผลบุญผลบาปตามที่ละตามบุญตามบาปที่เราทำไว้เราก็ต้องมาชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ เพราะผู้ที่ทำให้เรามาเกิดกันมาทำบุญทำบาปกันก็คือสิ่งที่ทำให้ใจเราสกปรกหรือไม่สะอาดนั่นเองสิ่งที่ทำให้ใจเราสกปรกหรือไม่สะอาดหรือเศร้าหมองคือกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆความอยากสามประการด้วยกันคืออยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะ อยากเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ากามตัณหาความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากร่ําอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากสวยอยากงามอยากหล่ออยากให้มีคนรักอยากให้มีคนชมเนี่ยอันนี้เรียกว่าภาวะตัณหาความอยากชนิดที่สามเรียกว่าวิภาวะตัณหาความอยากไม่เป็นคนยากจนความอยากไม่ ให้คนเขาดา่าให้เขาว่าความอยากไม่เจอกับสิ่งที่ไม่ชอบทั้งหลายเช่นความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายนี่คือความอยากสามข้อใหญ่ๆที่เป็นทำที่ทําให้จิตใจเราเศร้าหมองมหรือไม่สะอาดทําให้จิตใจเราต้องมาเกิดอยู่เรื่อยๆ ถ้าเรามีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะถ้าเราอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผทพะเราต้องมีอะไรเราก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายมีตาไว้เสพรูปมีหูไว้เสพเสียงมีจมูกไว้เสพกลิ่นมีลิ้นไว้ เ, เสบรสแล้วก็มีร่างกายไว้เสพสัมผัสที่เรียกว่าผลทพะที่มาสัมผัสทางร่างกาย เช่นอากาศเย็นอากาศร้อนนของนุ่มของแข็งเหล่านี้เรียกว่าผลธพะนี่คือสิ่งที่พาให้จิตใจของเราต้องมาอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกันเพราะเราต้องมาเกิดเป็นมนุษย์กันพอมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะมาทำตามความอยากกันอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสเราก็ไปหากัน หาโดยวิธีที่ไม่ทำบาปไม่ได้ก็หาโดยวิธีทำบาปกันทำไมเราจึงมีคนโกงกันอยู่เรื่อยๆทำไมจึงมีคนทำผิดกฎหมายกันอยู่เรื่อยๆ mm. ก็เพราะเขามีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วพอเขาไม่สามารถหามาได้โดยวิธีทำงานเก็บเงินเก็บทองไปซื้อเขาก็เลยเอาวิธีโกงบ้างโกหกหลอกลวงบ้างหรือป้นหรือจี้บ้าง เพื่อที่จะได้เอาเงิน ม, มาซื้อสิ่งที่เขาอยากได้กันนี่คือทาไมเราถึงต้องมาทาบาปกันก็เพราะความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นเองเวลามีเงินก็ไม่ต้องไปทาบาปเวลามีเงินอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้แต่เวลาเงินหมดเนี่ยแต่ความอยากมันยังไม่หมดความอยากมันอยากต่อเคอยกินเ็อ ย, อยู่แบบนี้พอเงินหมดมันก็ยังอยากจะอยู่กินแบบนี้อยู่ มันก็ต้องไปหาเงินโดยวิธีอื่นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือวิธีทำบาปนี่พอทำบาปเราก็ต้องถูกกฎแห่งกรรมมาจับลงโทษทันทีดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะทำบาปถ้าเราไม่อยากจะอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเราต้องมาหยุดไอตัวเหตุที่มาที่ดึงให้ใจเรามาเกิดมาทำกรรมกันอยู่เรื่อยๆก็คือ ตันหาความอยากสามตัวนี้เองถ้าเรากําจัดกามตันหาความอยากในกามได้กําจัดภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นได้กําจัดวิภวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นได้ใจของเราก็จะหยุดการกระทําต่างๆได้หยุดการกระทําบาปหยุดการกระทําบุญได้เมื่อเราไม่ทําบาปไม่ทําบุญใจของเราก็จะไม่ถูกกฎแห่งกรรมมา ปกครองอีกต่อไปคือใจของเราจะไม่มาเกิดนั่นเองเมื่อเราไม่มาเกิดเราก็จะไม่มาทําบุญไม่มาทําบาปแต่ถ้าเรายังกลับมาเกิดอยู่เรายังต้องมาทําบุญทําบาปกันอยู่เพราะเรายังมีความต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ส่วนใหญ่จะทําบาปกันมากกว่าทาบุญเพราะว่าความอยากมันจะดันให้เราไปทําบาปกันความอยากไม่ค่อยดันให้เราไปทําบุญกัน การทำบุญนี้เกิดจากการที่เราโชคดีมาเกิดเราร่ำรวยมีเงินทองเหลือกินเหลื อ, อใช้แล้วเราอาจจะมีความเมตตาสงสารเพื่อนร่วมโลกเห็นเขาทุกข์ยากเดือดร้อนซึ่งเราอาจจะเคยทุกข์ยากเดือดร้อนมาก่อนเรารู้ว่าความลำบากเป็นอย่างไรเราก็อยากจะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นอันนี้เป็นเกิดจากความเมตตาไม่ได้เกิดจากความอยากในการทำบุญกัน แต่ถ้าเราไม่มีเงินพอใช้เราไม่มีวันที่จะทำบุญกันนอกจากไม่ทำบุญแล้วเรายังต้องไปทำบาปเพราะเมื่อเงินไม่พอใช้เราก็ต้องไปหาหมันด้วยวิธีทำบาปแต่ถ้าเราไม่มีความอยากที่จะได้อะไรในโลกนี้เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำบาปเลยนี่แหละคือคำสอนข้อที่สามที่เป็นคำสอน ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนมีพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เป็นผู้รู้เรื่องของการอยู่เนอกฎแห่งกรรมศาสนาอื่นนี้สอนเรื่องการทำบุญเรื่องของการละ บ, บาปกันเขาเห็นผลที่เกิดขึ้นแต่เขาไม่รู้วิธีว่าจะทำอย่างไรให้ไม่ต้องกลับมาอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมไม่ต้องกลับมาเกิดมาแล้วมาทำบุญทำบาปกัน เพราะก็ไม่รู้สาเหตุของการมาเกิดนี้เกิดจากอะไรนั่นเองแล้วก็ไม่รู้ว่าเหตุที่จะทำให้สาเหตุที่พาให้เรามาเกิดนี้หายไปได้อย่างไรต้องมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะมาสอนให้จิตใจของพวกเรานี้อยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้ไม่ต้องมาอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอีกต่อไปถ้าเราไม่กลับมาเกิดอีกต่อไป ถ้าเราไม่มีร่างกายไม่มีความอยากที่จะใช้ร่างกายพาเราไปหาความสุขต่างๆเราก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปทำบาปนะพระองค์ทรงค้นพบวิธีที่จะทำให้เรากำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้วิธีที่จะทำให้ความอยากของเราหมดสิ้นไปได้เรียกว่า การภาวนาการภาวนานี้ก็ต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญานี้เองคือศีลสมาธิปัญญานี้คือการภาวนาผู้ที่ต้องการจะชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้ต้องรักษาศีลที่สูงกว่าศีลห้าศีลห้านี้ป้องกันไม่ให้เราไปทําบาปไปเกิดในอบาย แต่ยังไม่สามารถที่จะมาสนับสนุนให้เราสามารถชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ถ้าเราต้องการชำระใจให้บริสุทธิ์เราต้องถือศีล8ดขึ้นไปถือศีล8ถือศีลสิร 10, หรือถือศีลสองร้ขึ้นไปเราถึงจะมีกําลังที่จะมาซักพอกจิตใจของเราด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญา ที่เรียกว่าสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนาก็คือการฝึกใจให้สงบเป็นสมาธิวิปัสสนาคือการสอนใจให้ฉลาดให้รู้ว่าอะไรคือเหตุที่ทำให้เรามาเกิดให้เรารู้ว่าวิธีที่จะทำให้เราหยุดความอยากนี้หยุดได้อย่างไรเรียกว่าปัญญาหรือวิปัสสนา ถ้าเราอยากจะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เราก็ต้องมาเริ่มที่ศีลแปดกันมาเริ่มหัดรักษาศีลแปดกันเพราะถ้าเรารักษาศีลแปดเราจะได้หยุดกิจกรรมทางการอารมณ์ทั้งหมดเราจะไม่ต้องไปทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเสพกามคือเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลภะศีลแปดมีไว้มีหน้าที่ไว้ยับยั้งไม่ให้เราไปเสพกามกัน เพราะเราต้องการกำจัดความอยากที่จะเสพกามถ้าเราไปเสพกามมันก็จะไม่มีวันหมดนะความอยากที่จะเสพกามมันไม่มีวันหมดเราเลยต้องหยุดมันห้ามมันไว้ก่อนถึงแม้ว่าห้ามมันมันไม่ได้ทำให้มันตายแต่อย่างน้อยก็ให้มันหยุดขยายตัวให้มันหยุดเพื่อที่เราจะได้มาตัดมันได้ถ้ามันยังขยายตัวอยู่เรื่อยๆตัดมันเดี๋ยวมันก็โผล่ออกมาอยู่เรื่อยๆเนีเราต้องหยุด กิจกรรมทางกลามก่อนด้วยการมาถือศีลแปดกันแล้วพอเราไม่ทํากิจกรรมทางกลามเราก็จะมีเวลามาควบคุมจิตใจมาหยุดจิตใจหยุดความอยากในใจของเราด้วยการฝึกนั่งสมาธิด้วยการฝึกสติกันเราต้องฝึกสติก่อนเราถึงจะนั่งสมาธิได้ถ้าเราไม่มีสติใจเราจะไม่มีวันสงบนั่งยังไงมันก็ไม่สงบเพราะมันจะคิดอยู่เรื่อยๆ ถ้าต้องการให้มันสงบต้องมีสติคอยระ ง, งับความคิดถ้าเรามีสติเช่นนราเลิกเลือกอยู่พุโทโธพุโทโธพุทโธมันจะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้พอเราไม่คิดเดี๋ยวจิตก็สงบพอสงบแล้วสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาก็คือความสุขใจความอิ่มใจและความรู้สึกว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกัน มันจะทำให้เราเกิดปัญญาด้วยให้เรารู้ว่าจิตกับใจนี้เป็นคนต่อสูวนกันเราจะเริ่มเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมว่าใครเป็นผู้ไปรับผลหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วคือใครเวลาทำบุญทำบาปใครเป็นผู้รับผลใจนี่แหละเป็นผู้รับผลจะเห็นชัดขึ้นมาเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วจิตสงบแล้วเราจะมีกาลังที่จะดึงจิตมาสอนจิตให เกดปัญญาขึ้นมาต่อไปพอเราออกจากสมาธิมาถ้าเราชำนาญการเข้าสมาธิแล้วเราก็มาฝึกทางปัญญาต่อมาสอนจิตให้หยุดความอยากอะไรจะทำให้จิตหยุดความอยากได้ก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่จิตอยากได้นี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขนั่นเองถ้าเป็นสุขก็เป็นสุขปลอมสุขที่เคลือบความทุกข์อยู่เวลาเราไปเที่ยวเราได้ความสุขกัน แต่เราลืมไปว่าถ้าไปไหนเราอยากไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวนี้มันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพรนถ้าอย้นถ้ายังมีความอยากเที่ยวอยู่มันก็ต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆพอไม่ได้เที่ยวมันก็จะต้องทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราตัดความอยากเที่ยวออกไปได้หยุดความอยากเที่ยวได้เวลาอยู่บ้านเฉยๆก็จะไม่ทุกข์นี่คือปัญญาต้องสอนใจให้เห็นว่าการทําตามความอยากนําไปสู่ความทุกข์ พสิ่งที่อยากได้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นพอเห็นทุกอย่างที่เราอยากได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่เอาดีกว่าเอาความทุกมาทำไมอยู่กับความสงบดีกว่ากลับมาอยู่กับที่สมาธิดีกว่าตําใจให้สงบให้เฉยเฉยดีกว่าพอเราทำอย่างนี้ได้ต่อไปความอยากที่เคยมีในใจก็จะหมดไปใจเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมา จะไม่มีตัวหนึ่งให้เรากลับมาเกิดอีกต่อไปนี่เราก็จะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมทันทีพอเราไม่กลับมาเกิดแล้วทีนี้กฎแห่งกรรมก็ไม่สามารถที่จะมาจัดการกับเราได้อีกต่อไปอันนี้แหละเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะถ้ายังอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมมันก็ยังจะต้องออมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียอยู่เรื่อย มีสุขมีทุกข์ไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมแล้วสบายมีแต่สุขอย่างเดียวที่เรียกว่าบรล ม, มาสุขจิตที่อยู่เหนือกฎแห่งกรรมนี่คือนิพพานนั่นเองจิตที่สะอาดบริสุทธิ์เราเรียกว่านิพพานจิตที่อยู่เหนือกฎแห่งกรรมจิตที่ไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการที่เราได้มาฟังเทศฟังธรรม ในวันหยุดพิเศษในวันนี้ถือว่าเป็นวันกําไรบุญเพราะบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือบุญที่เกิดจากการได้ฟังเทศฟังธรรมนั่นเองเพราะถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมเราจะไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมเราจะไม่เชื่อกฎแห่งกรรมเราก็จะต้องติดอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมแล้วเราจะรู้ ว่าเราอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกันแล้วเราจะรู้วิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกันถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสรงสอนสามประการคือให้ละการกระทำบาป ท, ทั้งปวงให้สร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วเราก็จะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมไม่ต้องกลับมารับผลกรรมอีกต่อไป ยิงขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อที่จะได้อยู่เหนือกฎแห่งกรรมต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาให้พอรอยะถ า, าวารีวาหาปุราปปริปุเรนติสาขลัง เอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกาปติอิที่ตังปฏี่ตังตุมหังคิปัเมวาสมิจตยโตสัพเพปเรนโตสังกปายันโทปันาราโสยทามณิโชติระโสยทาสัพพิตโยวิววจานโต สัพพโรโควินาศสตุมาเตภวตอันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวัฒนสีริษานิจจังวุทธาปจายิโนจตารโหธรรมาวัฏานติอายุวันโสุขังภาลั ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาใครมีคำถามทางธรรมะทางปฏิบัติเดี๋ยวเชิญถามได้ไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความขึ้นมาให้ผู้อ่านถามให้ก็ได้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ Facebook เข้ามา355 YouTube 171วิทยุออนไลน์3 4ผู้รับฟังบนข่าว82รวม 642้อยส่บสองค่ะอ่ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยเดี๋ยวมาทางนี้หน่อยนดี๋ยมามาไมโครโฟนพูดใกล้ๆปากเลยขออนุญาตกลับเรียนถามพระคุณเจ้าครับอาณาปณะสติกับชีวิตประจำวันนี่สาคัญยังไงครับอ่ออาณาปณะสติต้องทาตอนที่เรานั่งนั่งเฉยๆไม่ได้ทำงาน เวลาทำงานนี้ใช้อนาปนานสติไม่ได้นั่งดูลมหายใจเข้าออกเช่นเวลานั่งสมาธิก็ให้นั่งดูลมหายใจเข้าออกอย่านั่งเฉยๆนั่งเฉยๆจิตไม่สงบเดี๋ยวจิตจะหลอกเราสร้างอะไรแปลกๆมาหลอกเราได้เวลานั่งสมาธิเลยต้องมีอนาปนานสติอนาปนานแปลว่าลมเข้าลมออกสติก็คือการให้เราเลือกรู้อยู่กับลมเข้าลมออก ถ้าเราคอยเฝ้าดูลมเข้าลมออกเราก็จะควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆขึ้นมาได้ใจเราก็จะสงบได้ในชีวิตประจําวันถ้าเราอยากจะฝึกสติต้องใช้กายกระตาสติต้องใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราร่างกายเรากำลังทำอะไรก็ให้อยู่กับการทำงานของร่างกาย กำลังอาบน้ำก็ให้มันอยู่กับการอาบน้ำดูมันดูร่างกายอาบน้ำดูร่างกายแปลงฟันดูร่างกายหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารทำงานอะไรก็คอยดูมันอย่าให้ใจไปที่อื่นอย่างนี้ก็จะมีสติในชีวิตประจำวันมีสติก็่าทำให้ใจเราว่างใจเราเย็นใจเราสบาย เวลานั่งสมาธิก็ดูลมหายใจเข้าออกแล้วใจก็จะสงบได้ใครจะไปก็ไปนะใครจะอยู่ก็เงียบๆน ะ, ะเพราะว่ามันบรบกวนชาวบ้านเขาไปก็ได้ถ้าจะอยู่ก็ต้องอยู่เงียบๆถ้าจะไปคุยกันก็ไปคุยในรถน ะ, ะต่อไป คำถามฝากถามค่ะถ้าเรานำเงินที่พ่อหามาจากน้าพักน้าแรงของท่านซึ่งคุณพ่อเสียแล้วมาทำบุญอยู่ตลอดเราจะได้บุญหรือไม่คะแล้วคุณพ่อที่ไปโลกหน้าแล้วจะได้ผลบุญไหมคะถ้าคุณพ่อตายไปแล้วเงินที่เหลืออยู่นี้ไม่ได้เป็นของคุณพ่อแล้วกลายเป็นเจ้าของเงินก้อนนี้เอาไปทำบุญก็ได้บุญถ้าเราเป็นเจ้าของเงินก้อนนี้ ที่พ่อทิ้งไว้เราได้บุญแต่พ่อไม่ได้บุญพ่อจะได้บุญก็เพียงส่วนที่เราอุทิศให้กับพ่อซึ่งบุญอุทิศนี้ไม่เหมือนกับบุญที่เราทำบุญอุทิศนี้เป็นส่วนย่อยเหมือนส่งของไปทางไปรษณีย์นี้ส่งได้ไปไม่มากถ้าถ้าของที่เราซื้อใช้เองนี่จะมากกว่าดังนั้นถ้ามีชีวิตอยู่ถ้าอยากจะได้บุญมากๆ เอาเงินทองที่เรามีอยู่นี้ไปทำบุญแล้วเราจะได้เอาบุญติดตัวไปได้ถ้าเราไม่ทำบุญเวลาตายไปเงินทองที่เรามีอยู่นี้ไม่เป็นบุญกับเราต่อให้ใครเอาไปทำบุญเราก็ไม่ได้บุญคนที่เอาไปทำได้บุญคำถามจาก facebook ค่ะคำถามจากพี่จุม๋มคุณแม่มาเข้าฝันว่าหนาวมากอยากทำบุญส่งผ้าไปให้ ต้องทําอย่างไรส่งถึงจะส่งถูกวิธีเจสกคะก็เอาผ้าไปทําบุญถวายพระก็ได้หรือว่าไปแจกชาวป่าชาวเขาที่เขาไม่มีผ้าห่มก็ได้เอถ้าพอให้เขาแล้วแล้วก็อุทิศบุญได้เลยแล้วเลือกภายในใจว่าขอทิศบุญส่วนนี้ขอทิศผ้าเหล่านี้ให้กับแม่ที่หนาวจัดขอให้แม่ได้รับผ้านี้ไปให้อบ ม, มีผ้าหม่หมอย่างอบอุ่นเอ คำถามจากอุบาสกพงศ์กรรมที่เราเคยทำไม่ดีต่อพ่อแม่จะด้วยกายวาจาใจก็ดีเมื่อเผลอทากรรมลงไปแล้วตอนหลังเราสำดึกได้แล้วไปกราบขอโทษขออโหสิกรรมต่อพ่อแม่กรรมที่เคยทำไม่ดีนั้นยังจะให้ผลหรือไม่ขอรับกรรมที่ทำไว้เราล้างไม่ได้ แต่เวณที่เราจะได้รับจากคนที่เรากระทำนี้เขาถ้าเขาเอาโหสิเราก็ไม่ได้ก็เขาก็ไม่มีเวรกับเราแต่กรรมถ้าเราทำบาปมันเป็นบาปมันก็ยังต้องไปรับผลบาปอยู่ถ้าไปขโมยเงินพ่อเงินแม่อย่างนี้ก็ยังต้องไปรับผลบุญอยู่ผลบาปอยู่ถึงแม่พ่อจะให้อภัยแล้วก็ตามแต่บาปที่เราทำไว้นี้ไม่มีใครให้อภัยได้ คำถามจาก y u t u b e ค่ะคำถามจากคุณจินคอบกราบเรียนถามว่าวิญญาณขันดูอย่างไรพิจารณาอย่างไรครับเห็นคล้ายๆกับสวิตต์ปิดเปิดให้รู้กับไม่รู้เช่นนั้นหรือครับเวลาเราหลับตาเราก็ไม่เห็นรูปแล้วใช่ไหมพอตาไม่ได้สัมผัสกับรูปวิญญาณทางตาก็ดับไปพอหูหนวกปั๊ บ, บนี่ยไม่ดินเสียง วิญญาณทางหูก็ไม่เกิดวิญญาณทางเสียงก็ไม่เกิดแล้วเานึ่งมันนี่คือวิญญาณตัวที่รับรูปเสียงกลิ่นลดมาให้กับใจเวลาใดที่ใจไม่สามารถรับรูปหรือเสียงหรือกลิ่นลดก็แสดงว่าเวลานั้นวิญญาณหยุดทำงานอาจจะหยุดเพราะว่าทางทางร่างกายไม่พร้อมที่จะรับรูปเข้ามาตาอาจจะบอดหูอาจจะหนวกขึ้นมาก็จะไม่สามารถ วิญญาณก็ไม่สามารถทำงานได้วิญญาณเป็นผู้มาคอยรับรูปเสียงกลิ่นรสมาส่งให้ใจผู้รับรู้อีกทอดหนึ่งผู้รู้อีกทอดหนึ่งเป็นเหมือนสะพานเชื่อมสะพานเชื่อมระหว่างรูปเสียงกลิ่นรสผธภากับใจคาถามจากคุณบุญเสริมบุญกับบาปและการเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ใครหรืออะไรเป็นเครื่องตัดสินครับ ก็กดแห่งกรรมไงเนี่ยพูดมาตั้งชั่วโมงแนละ้วคำถามจากคุณศิริวิตการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิในช่วงฝึกใหม่เกิดเวทนามากจนอยากขยับเปลี่ยนอริยบทให้หายจากเวทนานั้นควรทำอย่างไรในการผ่านเวทนาไปครับอ๋อจะผ่านก็ต้องนั่งต่อไปด้วยการเพิ่มสติให้มากขึ้น ให้บริกรรมพุทโธให้ถี่ขึ้นอย่าไปคิดอะไรให้อยู่กับพุทโธพุทโธอย่าไปสนใจกับอาการเจ็บปวดต่างๆถ้าสติมีกําลังมากกว่าสติก็จะปล่อยวางใจก็จะปล่อยวางความเจ็บได้ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บก็จะผ่านได้ถ้านั่งเฉยๆแล้วมีแต่ความอยากให่อยากจะลุกหรืออยากจะให้ความเจ็บหายไปก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้ คำถามจากคุณสระสวดีเพื่อนขี้เหนียวมากพยายามไม่ใช้เงินเลยเขาจะท่องว่าอย่าอยู่อย่างยากแต่เขาก็ทําบุญเป็นครั้งคราวภาวนาตามโอกาสแบบนี้ถือว่าเขาสําเร็จใช่หรือไม่คะไม่รู้ถามเขาเลยมาถามเราได้ไงถามแล้วสําเร็จหรือ ย, ยังถ้าสําเร็จก็สําเร็จไม่สําเร็จก็ไม่สําเร็จ คนปฏิบัติจะรู้สันทิฏฐิโกออคำถามจากคุณไก่กับแก้มเรียนถามพระอาจารย์เจ้าการเป็นมนุษย์ต่างกับการเป็นคนอย่างไรเพราะเคยได้ยินมาว่าการเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ําเป็นได้เพียงตนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมา อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเรารู้ว่าคนกับมนุษย์ก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่ถ้าจะไปแปลว่าเป็นอย่างอื่นก็แล้วแต่คนจะแปลคำถามจากคุณคอาร1หนึ่งหมื่นสิบเอ็ดบุญจากการสมทบเงินช่วยงานบวชโดยที่เราไม่ได้มีโอกาสไปร่วมงานนั้นผลบุญแบบนี้จะแตกต่างจากการได้ไปร่วมงานไหมคะก็ไม่ต่างมาก ถ้าไปร่วมงานก็อาจจะได้สึกได้ความรู้ว่าเขาบวชกันอย่างไรเขาทำพิธีอย่างไรถ้าไม่ได้ไปก็ไม่รู้และอีกอย่างก็ไม่รู้ว่าเงินที่ฝากไปถึงหรือไม่ถึงถ้าไปเองก็จะรู้ว่าถึงจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามขอเรียนถามเรื่องการดื่มสุราเพียงหนึ่งองคุรีคือเป็นยา คิดบาปหรือไม่เจ้าคะหรือเราควรคิดที่จะไม่ดื่มแม้เป็นยาดีที่สุดเจ้าคะกห็หนึ่งทุลีมันหนึ่งองคุลีมันก็บาปหนึ่งองคุรีแหละอยู่ที่ว่าเราดื่มมากดื่มน้อยมันก็บาปมากบาปน้อยแต่ทุกอย่างมันจะเริ่มต้นจากน้อยไปหามากถ้าทางที่ดีถ้าไม่ต้องการให้มันเริ่มไม่ให้มันขยายผล ขยายตัวก็อย่าไปดื่มเลยดีกว่าเดี๋ยวดื่มหยดหนึ่งแล้วเดี๋ยวอเออยังรู้สึกน้อยไปขอสักสองหยดนะเดี๋ยวก็เพิ่มไปเรื่อยๆคําถามจากคุณบงกฎขอเรียนถามพระอาจารย์ให้ช่วยขยายความทุกขเวทนาสขขนาาุขเวทนาอุเบกขาเวทนาหน่อยครับเอา่าทุกเลยเวลาใครตีหัวเราก็ทุกขเวทนา เวลาร่างกายเราเจ็บก็ทุกขเวทนาเวลาร่างกายเราสุขก็สุขเวทนาเวลาที่ร่างกายเราไม่รู้สึกไม่รู้ทุกขไม่ไม่สุขไม่ทุกขก็เรียกว่าโอเบขาเวทนาความจริงเขาไม่เรียกโอเบขาเขาเรียกอะไรไม่รู้มันแต่ชื่อไม่ออกแต่ไม่ทราบว่าใครก็เอาคำว่าโอเบขามาใช้แต่กลางๆก็แล้วกันเพราว่าเป็นเป็นความรู้สึกกลางๆไม่สุขไม่ทุกข มีสมชนิดมีความสุขที่ทุกขมีความสุขมีความรู้สึกที่สุขและมีความรู้สึกที่ไม่สุขไม่ทุกข์เช่นเวลาหิวข้าวก็ทุกเวลากินอิ่มก็สุขเวลาที่ไม่ได้หิวข้าวไม่ได้อิ่มข้าวมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์คาถามจากคุณศิริิรวิทย์การเสริมกําลังใจในการปฏิบัติควรทําอย่างไรครับ ก็ต้องพยายามประหยัดปฏิบัติบ่อยๆปฏิบัติมากๆวิธีที่จะเสริมการปฏิบัติก็คือการปฏิบัตินั่นแหละถ้าเราไม่มีกำลังที่จะเสริมปฏิบัติเราก็ต้องไปอยู่กับพวกที่เขาปฏิบัติเพราะเมื่อเราอยู่กับพวกปฏิบัติเขาก็จะลากเราไปเองเหมือนจะเป็นพวกเรือเรือที่ไม่มีเครื่องก็ต้องไปอาศัยเป็นเรือพ่วง ก, ก่อนไปหาพวกที่เรือที่เขามีเครื่อง เครื่องที่เขามีเครื่องเขามีไฟแล้วเขาก็ไปกันแล้วก็สายถ้าอยู่กับเขาเขาวิ่งเราก็ต้องวิ่งกับเขาเขานั่งสมาธิเราก็นัองนั่งกับเขาเขาทำอะไรเราก็ต้องทำตามเขาอย่นถ้าเราไม่มีไฟในตัวเราเองเราก็ต้องไปอยู่กับพวกที่เขามีไฟไนเนี่ยพระเนรทั้งหลายจริงๆมักจะไปบวชกับครูบาอาจารย์ไปอยู่กับครูบาอาจารย์เพราะครูบาอาจารย์ท่านมีไฟเดี๋ยวท่านก็คอยลากคอยดึงเราอยู่เรื่อยๆ ไช้ เ, เวลาเว้ยปฏิบัติเว้ยอย่านอนเว้ยอย่าเล่นกันเว้ยอย่างนี้แหละคำถามจากคุณอุคะ่ะกราบเรียนถามพร ะ, าะอาจารย์ค่ะใส่บาทพระสงฆ์ใส่รองเท้าได้ไหมเจ้าคะเพราะว่ า, าติดเชื้อโรคได้คะ่ะหรือบาดเจ็บอ๋อไม่ได้หรอก็อย่าไปใส่ก็เลยถ้าตัวกลัวติดเชื้อโรค ก, ก็คำถามจากคุณอะมิโนวิธีละสั่งยศสามทาอย่างไรครับ ก็อย่าไปทำมันดิอย่าไปยึดไปติดว่าตัวเราเป็นของเราอย่าไปสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าไปรูปศีล ร, รูปคำในศีลให้เชื่อว่าศีลนี่เป็นกฎแห่งกรรมเป็นของแท้ของจริงทำบาปแล้วจะต้องรับผลบาปก็ละได้และสามข้อน คำถามจากคุณอักษรค่ะนอกจากนั่งสมาธิแล้วเมื่ออยู่ในชีวิตประจำวันจะพยายามเจริญปัญญาโดยพิจารณาร่างกายเคยหวีผมแปลงฟันแล้วเห็นแขนและมือมันเหมือนไม่ใช่ของเราเจ้าค่ะรู้สึกกลัวจนทิ้งหวีและออกจากกระจกไปการปฏิบัติแบบนี้ยังถูกแนวทางไหมเจ้าคะไม่ถูกหรอกบ้าแอยู่ดีๆก็ทิ้งหวี อยู่ก็บมัมาต้องนานพออยู่ดีๆไปคิดว่ามันไม่ใช่ตัวเราก็บ้ากลัวขึ้นมาอีกการปฏิบัติด้วยปัญญาจนไม่กลัวมันจะมันรู้แล้วมันจะได้ไม่กลัวนี่ถ้ารู้แล้วไปกลัวก็ไม่ใช่สติไม่ใช่ปัญญาแล้วเรียกว่าบ้าและหลงนะคําถามจากคุณจาตุรนค่ะที่บ้านของผมห้องพระติดกับห้องน้ําผิดและเป็นบาปไหมเจ้าครับไม่ครับ ไม่บาปไม่ผิดหรอกแล้วแต่คนจะถือกันถ้าคนถือว่าไม่เหมาะมันก็ไม่เหมาะถ้าถือว่าเหมาะก็เหมาะแล้วแต่คำถามจากคุณกิติรัตน์สามีโยมชอบใส่บาตรแต่ไม่ยอมถอดรองเท้าจะได้มุลไหมคะครอบครัวสามีเป็นคริชค่ะ อ, อ๋อได้แต่ได้ไม่เต็มร้อยได้แบบครึ่งครึ่งกลางๆได้ตรงที่เสียสละ แต่ไม่ได้ละอัตตาตัวตนที่เป็นบุญที่สำคัญกว่าอัตตาตัวตนนี้เป็นตัวที่ทําให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายมาทุกข์กันอยู่เรื่อยๆถ้าเราต้องการกําจัดการเกิดแก่เจ็บตายกาจัดความทุกข์นี้เราต้องลดลดละอัตตาตัวตนคำถามจากคุณซันนี่ค่ะวิธีนั่งสมาธิให้จิตสงบไม่ฟุง้งซ่าน ควรปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะก็ให้มีอะไรกำกับใจอยู่ตลอดเวลาเช่นพุโทโธพุโทโธพุโทโธตลอดเวลาหรือเฝ้าดูลมหายใจตลอดเวลาไม่ไปคิดอย่างอื่นไม่ไปทาอย่างอื่นคำถามฝากถามค่ะพระอารหันต์จะต้องเจริญบารมีครบทั้งสิบข้อหรือไม่ครับก็ต้องเจริญมรรคต้องมีมรรคแปด บารมีสิบก็เหมือนกันบารมีสิบกับมรรคแปดก็อันเดียวกันคำถามอีกคำถามหนึ่งค่ะถ้าเราคิดบวกคิดเป็นกุศลแล้วใจเป็นสุขสลับกับการดูลมปฏิบัติแบบนี้ดีไหมเจ้าคะถ้าเป็นสุขก็ดีนตอนนี้คำถามหมดค่ะพระาอาจารย์อหมดก็ดีแล้วจะได้เลิกไม่ใช่อะไรมีอะไรไหมนีครับมีทาง